คำถามหลวงปู่เจ้าคะเวลาภาวนาทำอย่างไรจิตจึงจะรวมหลวงปู่ตอบว่าให้พิจารณาความตายคำถามหนูนั่งภาวนาครั้งหนึ่งเกิดมีกลิ่นเหม็นร่างกายของตัวเองอย่างรุนแรงจนแทบอาเจียนแต่หนูพยายามฟื้นทนนั่งภาวนาอยู่ต่อไปทิดว่าเหม็นก็ช่างมันทนเอาอีกชักครู่เกิดอาเจียนออกมา ไม้เสริฐกองอยู่บนตักเต็มไปหมดประมาณได้สักหนึ่งกระถนพอหนูออกจากภาวนาเอามือมาจับดูปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไรมันเป็นอะไรคะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าทำคําถามหลวงปู่ครับกระผมนั่งสมาธิอยู่มันเกิดมีแสงสีม่วงมาแยงเข้าตาจะทําอย่างไรครับหลวงปู่ตอบว่าเกิดขึ้น มันจะหายไปเองถามไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออบ่ต้องดีใจบ่ต้องเสียใจให้ก็สร้างดีกะสร้างคือร้ายก็ช่างดีก็ช่างทําถา ม, ถามของราชการบํบนานา้นอดีตในอำเภอหลวงปู่ครับกระผมและครอบครัวเดินทางมาไ ก, กาลเพื่อกราบบรรณาการหลวงปู่ โอกาสนี้ขอฟังธรรมะหรือเทศสั้นๆเพื่อจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตต่อไปหลวงปู่นั่งนิ่งสักครู่ประมาณสองถึงสามนาทีแล้วตรับว่าเอาใจใจและว่ามนุษย์โสปฏิลาโภ ค, คำถามของคนหูหนักคือขึบนหนวกพูดหนึ่งชื่อในคำเป็นคนมีศาสตร์มีศิลธรรมดีคนหนึ่ง และเป็นนักภาวนาที่หาตัวจับยากเดินบรรดาชาวบ้านด้วยกันแกมีอาการแปลกๆเจอกับการภาวนามารล่ถวายหลวงปู่เสมอซึ่งท่านก็เมตตาแนะนำเมื่อแกหายหน้าไปท่านจะถามหาและเมตตาแกมาตลอดเวลาร่วม20ปีวันหนึ่งได้โอกาสแกเรียนถามห ล, ลวงปู่ว่าหลวงปูกครับเป็นเพราะกรรมอันใดหรือทาไมหูผมจิงนัว ผมเคยได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างครับหลวงปู่ตอบว่าแต่ก่อนเวลาพระกำลังเทศมีญาติโยมนั่งฟังอยู่หลายที่ศาลาโรงธรรมและบ่อสนใจฟังซ้ำยังเป่าแคนตีชิ่งตีกรองมารอบศาลาที่ประเทศให้โยมฟังอยู่และว่าหยอกผู้สาวเวลาผู้สาวเหลียวมากระพากันเฮ เจริพระที่กำลังเทศอยู่เสียสมาธิทำให้ลืมคำเทศต้องตั้งนโมขึ้นใหม่ตั้งเทือสองเทือคือครั้งสองครั้งกรรอันนี้จึงทำให้หูหนวกถามชาตินี้สิพ้นกรรมบ่หลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออคำถามมีญาติโยมคนหนึ่งมาป่าวรบว่าตน มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอและฝันร้ายเป็นนิดกาเปลียนถามหลวงปู่ว่าจะให้ทำอย่างไรจึงจะหายจากฝันร้ายและอยู่เ ป, นเป็นสุขเสียทีหลวงปูต่ตรว่าให้ตั้งสติให้คักคักคือแนวแน่หรือดีๆและระลึกถึงพระรัตนประกและสวดยันทุนนิมิตังคาถาม คนฆ่าตัวตายนี่บาปมากไหมครับหลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่าบาปมันต้องตายคือฆ่าตัวเองตายอีกห้าร้อยชาติถามมันมีกรรมแม่นบอกหลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่าเออทำถา ม, ถามหลวงปูค่ค่ะผู้หญิงถ้าบวชเป็นแม่ชีถ้าแม่นบุญบารมีราย สมาธิเก่งๆก็อาจจะหู้คือรู้ภายในคือกันบ่หลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออฮู้คือกันแน่แล้วไปนิพพานได้คือกันท่านนิ่งไประยะหนึ่งแล้วก็เล่าต่ออย่างเมตสาว่ามีหญิงคนหนึ่งอยู่เมืองพมา่าอายจจุได้สามสสีรักษาศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวจะได้ไปขึ้นสวรรค์พอได้ ถามเขาได้ตั้งแต่ยังบอทันตายหรือคะ่ะหลวงปู่ตอบว่าอื้อเขาได้ตั้งแต่บอทันตายถามเขาบวชมาได้จักปีคะ่ะคือกี่ปีคะ่ะหลวงปู่ตอบว่าสามปีถามอันนี้เพื่อนสร้างบุญบารมีมาแต่ชัดเก่อหรือคะ่ะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่า ทั้งชาติก่อนทึ้งชาตินี้ปู่เคยไปอยู่ที่นั่นเคยหนึ่งแม่ชีเอาผ้าขาวงามมาถวายมาให้พระอับน้ําถามทุกวันนี้ก็ยังอยู่หรือคะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าคงจะยังอยู่เพราะตอนนั้นยังหนุ่มๆคือสาวอยู่ถามในเมืองไทยนีไหมคะคนที่สําเร็จแบบแม่ชีพมานี้ หลวงปู่ตอบว่าภาวนาจริงเก่งนี้มีอยู่ที่คําชอี่ถามเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมคะคือถามเมื่อปีพศออ2526หลวงปู่ตอบว่ายังอยู่คําถามหลวงปู่ข้าน้อยท ร, รมมหากินอยู่อย่างสุจริต แต่มีคนมาบังเบียดอิจฉาพิษยาแกร่งต่างนานาเขาว่าเอาหมอธทรรมคือหมอชัยศาสตร์มาเจาะก้อนหินแล้วคว้างใส่หลังคาบ้านสามก้อนได้ยินเสียงแล้วมันสิเป็นอันตรายบ่หลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่าบ่เป็นอย่างคำ ถ, ถามเขาจะจ้างมือปืนมาฆ่าเขากูเขยนให้หนีว่าถตาขืนไม่หนีต้องตาย มันเป็นยังไงคะหลวงปู่มันจะตายเพราะเขาจริงๆหรือคะหลวงปู่ตอบว่าบอกเป็นอย่างทวายพระสวดมนต์ภาวนาอยู่บอกเป็นอย่างเขาขู่นานๆมันก็จะจืดกระจายไปเองคําถามภาวนาครอบครั ว, รวผู้ตกทุกได้ยากกระผมจะป่าลูกป่าเมียมาบวชศีล บ, บบอกหลวงปู่คือ ปล่อยปลาหรือเลิกกันหลวงปูต่ตอบว่าบ่เป็นอย่างบ่บาปคําถามกระผมได้ยินท่านอาจารย์เปลี่ยนคือวัดป่าอรัญญายุเวศเชียงใหม่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนหลวงปู่สั่งให้ลูกศิษย์ไปบินธบารแต่บ้านคนจนจนแม่นบอกครับหลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่าอือคือเพื่อให้โอกาสคนจนได้ทําบุญมากกว่า คนมีเงินหยุดแถวคำถามหลวงปู่คะทำอย่างไรจึงจะเรียนหนังสือให้จาได้เก่งๆหลวงปู่ตอบว่าจักตัวเจ้าของเองก็ลืมอยู่พูดถามเลยหัวเราะคือจักแล้วว่าไม่รู้คำถามทำอย่างไรจะให้หลานไม่ต้องติดทหารครับหลวงปู่ทาน้ำมนต์ให้หลานด้วยครับ หลานกำลังสมัครสอบแต่พอดีต้องเกณฑ์ทหารไม่อยากให้ติดทหารกลัวจะเสียการเรียนหลวงปูต่ตล่วว่าถึกก็ดีบัตรึกก็ดีถึกคือถูกคำถามหลวงปู่คะหนูฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฝันเห็นเขาบ่อยๆแต่หนูรู้จักกับลูกชายเขาทำไมถึงฝันเห็นคะหลวงปู่ หลวงปูต่ตอบว่าเขาสิมาเกินนําถามแล้วหนูควรจะทําอย่างไรคะหลวงปูต่ตอบว่าใส่บาตร ท, ทาบุญให้เขาคําถามอยากรู้ล่วงหน้าว่าคนจะมาหาทําอย่างไรจึงจะรู้ได้เจ้าคะ่ะหลวงปูต่ตอบว่าภาวนาถามจะรู้ใจเขาทําอย่างไรเจ้าคะ่ะหลวงปูต่ตอบว่าภาวนา คำถามเดิมผู้หญิงเคยไปพักภาวนาที่วัดแต่เกิดกลัวผีเพราะที่วัดเป็นปา่าช้ามีการเผาศพเป็นประจำเลยมาการาบเรียนหลวงปู่ตรงๆหนูกลัวผีเจ้าคะ่ะหลวงปู่หลวงปู่มีกระถากันีไหมเจ้าคะขอให้หนูด้วยหลวงปู่ตอบว่าสุขขังสุปฏิคือเป็นกระถาแผ่เมตตานิสังสาสุดรัปาโถ คถาเต็มบทคือสุขขังสุปฏิสุขขังปฏิชาติและตาปากังสุปีนังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอัมนุสสานังปิโยโหติคำถามหลวงปู่ครับพวกศรัทธาญาติโยมเก่าๆที่เคยปฏิบัติหลวงปู่พวกที่ตายไปแล้วหลวงปู่เคยปรากฏหรือเคยนิมิตเห็นบ้างไหมครับในระยะหลังๆนี้ หลวงปูต่ตอบว่าบ่เห็นได้ยินแต่เสียงคำถามได้ยินเสียงยังไงครับหลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่าได้ยินเสียงเขามาเขามารับส่วนบุญมารับเมตตาคำถามได้ยินแต่เสียงบ่เห็นรูปแม่นบ่หลวงปู่หลวงปูต่ตอบว่าเออคำถามหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องปีตปอบเข้าสิงคน เมื่ออ่านถวายท่านฟังจนจบแล้วเรียนถามท่านว่าผีปอบมีจริงบอกครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าตอบรับว่ามีคำถามหลวงปู่เจ้าคะทำอย่างไรจรึงจับคนทุกข์ไม่ต้องมาเกิดแกเจ็บตายอีกหลวงปู่ตอบว่าไปบวชคำถามหลวงปู่ครับ เพื่อนมันแกล้งนินทาว่าร้ายผมต่างๆนาน า, นาทำอย่างไรดีครับหลวงปู่ตอบว่าบ่าต้องสนใจคำถามมันอดไม่ได้นีครับหลวงปู่ตอบว่าแผ่เมตตาคำถามหลวงปู่เจ้าคะ่ะพวกเพื่อนฝูงหนูเขาร่ำรวยมีเงินกันทั้งนั้นทำอย่างไงนูจึงจะรวยอย่างเขากันบ้างหล่ะเจ้าคะ่ะหลวงปู่ตอบว่า ทำงานผู้ถามวิ่งไปคงชิดชิดตามหลวงปู่ไม่ค่อยทันทันแลเธอผู้นั้นก็ถามซามอีกอย่างไม่ค่อยจะแน่ใจทำงานแล้วรวยแน่นะเจ้าคะ่ะแล้วงปู่ตอบ ว, ว่าทำบุญด้วยคําถามหลวงปู่ครับตั้งแต่บวชมาเคยคิดอยากศึกไหมครับคือผู้ถามเป็นตาซึ่งกําลังคิดอยากสึกหลวงปู่ตอบ ว, ว่าเคย ถามและทำอย่างไรซึ่งไม่สึกครับหลวงปู่ตอบว่าอยู่ซื่อๆมันก็หายไปเองคืออยู่เฉยๆก็รู้การทุกคนว่าหลวงปู่อาพาธเป็นอมพาธที่ข้างสายตั้งแต่ไหลแขนขาใช้การเคลื่อนไหวไม่ได้แม้แต่การพูดก็ลำบากที่ริ้นจะเคลื่อนเป็นคำพูดดังแบบที่ท่านต้องการ ปกติท่านเป็นผู้พูดน้อยอยู่แล้วเมื่อท่านเป็นอรมพาตการพูดซึ่งเป็นภาระหนักแก่ท่านอย่างยิ่งจึงเป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่ควรคาดหวังแต่พวกบัวใต้น้ําบางครั้งก็อดเผลอตัวคอยปรเปลี่ยนตามปัญหาต่างๆไม่ค่อยได้ที่ได้บันทึกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาธรรมะ ท, ที่แต่ละคนติดข้องแต่บางโอกาสบางเวลา เห็นท่านมีอารมณ์แจ่มใสใจของพวกปุถุชนคนธรรมดาพวกบัวใต้น้ำก็กระเริ่มในความเมตตาถามโน่นถามนี่จุกจิกถ้าเป็นคำถามเฉยๆหน้าขันบางทีท่านจะหัวจนองงอหรือสำลักเรื่องเกี่ยวกับองค์ท่านบ้างประวัติที่เรื่องลือเล่าต่อๆกันมาบ้างเริ่มจากวงพระนักปฏิบัติกรรมาฐานจากปากเพื่อสาธรมิกของท่าน จากปากพระเนรผู้เป็นศิ์เคยปฏิบัติท่านพวกโบไต่นามได้ยินกระเซ็นกระสายได้โอกาสเหมาะก็ทำหน้ายิ่ยงเสียมกาเปลี่ยนถามท่านบางวันบางเวลาท่านก็นีเฉยหรือกาเปลี่ยนสามคำจะตอบสักคำบางวันบางเวลาท่านจนไม่ตาตาไพา่แต่เช้าเย็นเพลงแต่บ่ายเย็นเย็นแต่หัวค่า จนตีหนึ่งคนถามเองเหนื่อยจนต้องลองหยอมแพ้และข้อความเหล่านี้เองได้มากลายเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตตอนช่วงเยาว์วัยของท่านต่อเริ่มบวชบวชที่ใดจะมาจ่าที่ไหนเหตุอัศจรรย์ต่างๆที่ท่านประสบในที่นี้จะขอยกบางตอนของคาถามคําตอบ มาให้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่าการเขียนประวัตินั้นต้องใช้ความวิริยะพยายามเพียงไรและต้องรบกวนท่านเจ้าของประวัติเพียงไรคําถามหลวงปู่เคยอดอาหารนานที่สุดได้กี่วันเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าได้สิบห้าวันคําถามหลวงปู่เคยอดนอนนานที่สุดได้กี่วันหลวงปู่ตอบว่าได้สิบวันคําถาม ตอนที่หลวงปู่ไปจําภาษาที่ลมสักอดค่ากี่วันครับหลวงปู่ตอบว่าแปดวันคําถามไปอยู่ที่ลมสักฟังภาษาเมืองลมสักพอได้หรือคะหลวงปู่ตอบว่าได้คําถามลมสักนี้ชาวบ้านเขาพูดแบบเมืองเลยหรือคะหลวงปู่ตอบว่าเออแต่ก่อนเมืองเลยก็ขึ้นกับลมสักคําถาม หลวงปู่เดินจากเมืองเลยไปเชียงใหม่กี่วันเจ้าคะหลวงปู่ตอบ ว, ว่าเดินหนึ่งคำถามหลวงปู่ไปทางไหนที่ว่าเจอเสือหลวงปู่ตอบ ว, ว่าไปทางห้วยลาดบ้านสารตรมภูเรือคําถามแต่ก่อนมีทางรถใหม่เจ้าคะ่ะหลวงปู่ตอบ ว, ว่าบ่มีแต่าทางคนแคบๆคําถามหลวงปู่มีรองเท้าไหมแต่ก่อน หลวงปูต่ตอบว่าบอมีเดินเท้าเปล่าคําถามแต่ก่อนภูเรือยังไม่เป็นอําเภอใช่ไหมเจ้าคะหลวงปูต่ตอบว่าเออสารตรมมีบ้านเก้าหลังคาเรือนม่วงไขย่ยังไม่ทันมีบ้านคําถามหลวงปู่พบเสือระหว่างไหนหลวงปู่พบที่ม่วงไข่คาถามเสือมันทาอะไรอยู่หลวงปูต่ตอบว่า มันออกมาที่วัดคาถามแล้วที่ไหนที่หลวงปู่พบเสือมันมาลัดหน้าลัดหลังข้างหน้าก็เข้ามาข้างหลังก็เข้ามาหลวงปูต่ตอบว่าอยู่ที่พม่ า, มาคาถามมันมาดักหลวงปู่หรือเจ้าคะหลวงปูต่ตอบว่าก็เดินไปเรื่อยๆมันก็ไปของมันคาถามห่างจากประมาณเท่าไหร่เจ้าคะหลวงปูต่ตอบว่าสามวาสี่วา คำถามได้ยินว่าที่ปู่หลวงหลวงปู่อยู่ในถ้ำเสือเรือเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบ ว, ว่าพบเสือสองตัวในถ้ำตัวใหญ่กว่าม้าอีกคำถามหลวงปู่บอยันเสือเรือเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบ ว, ว่ายัานอยู่แต่อดอาตั้งสติถามมันทำอย่างไรเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบ ว, ว่ามันเดินมาหายินจ้องอยู่ ร้องอ้าวเออคางอ้าวเออใจคำถามแล้วหลวงปู่ทําอย่างไรเจ้าคะหลวงปูต่ตอบว่ามีสติภาวนาพุโทโธพุโทโธคำถามเป็นถ้ำที่อยู่ของเสือหรือเจ้าคะหลวงปูต่ตอบว่าคงอย่างนั้นคําถามหลวงปู่อยู่ในถ้ำ น, นั้นนานเท่าไรหร่คะเลยรุ่งเช้าก็หนีเลยหลวงปูต่ตอบว่าบอก อยู่นอนในถ้าเสือหนึ่งเดือนต่างคนต่างอยู่เป็นมิตรกันคําถามหลวงปู่เคยไปทุดงที่เมืองลาวหรือเปล่าเจ้าคะหลวงปูต่ตอบว่าไปหลายสร้างวัดไว้ที่นั่นด้วยคําถามหลวงปู่ไปพม่าหลายครั้งไหมคะหลวงปูต่ตอบว่าไปสอครัง้งคําถามหลวงปู่รู้ภาษาพ ม, ามา่าไหมคะหลวงปูต่ตอบว่ารู้ ถามหลวงปู่กรุณาผู้ให้พวกหนูฟังจากเล็กน้อยได้ไหมเจ้าคะกินข้าวภาษาพม่าว่าอย่างไรหลวงปูต่ตอบว่าสานิซาสามิสาเลคือมากินข้าวคำถามกินนาะภาษาพม่าว่าอย่างไรหลวงปู่บอกว่าว่ากินนาเหมือนกันคำถามเขาเรียกหลวงปู่ว่าอย่างไร หลวงปู่ตอบว่าบางทีเรียกจำบุบางทีเรียกบุญเจ้าคำถามระหว่างสงครามโลก ค, ครั้งที่สองที่หลวงปู่ไปอยู่พม่าหลายปีตอนหลังพวกทหารจะมาจับหลวงปู่ชาวบ้านเขาพาหลวงปู่ไปซ่อนไว้ที่ไหนหลวงปู่ตอบว่าชาวบ้านเขาพาไปซ่อนไว้ในฉากข้าวถึงสาวันเขากลัวพวกทหารจะมาจับไปฆ่าคำถามตอนจะกลับเมืองไทย กลับมาได้อย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ถามว่าเขาพามานำมามาส่งรินแม่น้ำคิดว่าจะข้ามแม่น้ำได้อย่างไรพอดีนีเรือของชาวบ้านเขาเร่รับประมาเพื่ออุบุ์นั่งเรือมาประมาณชั่วโมงกว่าก็ข้ามมาได้คำถามหลวงปู่ก็นุนาเล่าตอนเทวดาไสบาสีเจ้าคะ่ะคือรายละเอียดอยู่ในที่พระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระมหาบัว ยานาสัมปโนเขียนดูภาคธรรมอุโคดหลองปู่ตบว่าเทวดารูปร่างสวยงามมากเป็นผู้ชายมาใส่บาตรคำถามอาหารมีอะไรบ้างเจ้าคะหลวงปู่ตบว่าข้าทั่วหนึ่งแกงทั่วหนึ่งและปลาขาวสองตัวฉันพอดีอิ่มไม่มีอาหารเหลือ คำถามเวลาฉันข้าวที่เทวดาใส่บาตรรสชาติเป็นอย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ตอบ ว, ว่าแซ่คำถามปลาเหมือนปลาเมืองมนุษย์ไหมคะหลวงปู่ตอบว่าเหมือนแต่ข้าวอ่อนนิ่มกว่าข้าวเมืองมนุษย์คำถามอิ่มได้นานไหมเจ้าคะฉันข้าวเทวดาหลวงปู่ตอบ ว, ว่าอิ่มได้วันหนึ่งคำถามตรงที่เทวดามาใส่บาตรนั้น ห่างจากหมู่บ้านมากไหมเจ้าคะ่ะหลวงปูต่ตอบว่าไกลยอยู่กลางปา่าคําถา ม, ถามตอนไปอยู่ค้อนแกนที่มีคนเอาค้อนมาปาหลวงปู่กําลังเดินจงกลมจอทํำอะไรอยู่หลวงปูต่ตอบว่าเขาไม่อยากจะอยู่ส่วนเราอยากอยู่มันปิดใจเขาคําถา ม, ถามอยู่บ้านอะไรคะหลวงปูต่ตอบว่าอยู่บ้านน้องหินเหมือนค้อนแกน เราเดินจงกรมชวนจะแจ้งแล้วคนใหญ่อยู่คือคนป่าคมถามเขาป่าแล้วถูกหลวงปู่หมเจ้าคะ่ะหลวงปู่ตอบว่าบ่ถูกแต่ต้นไม้ใหญ่คำถามและเป็นอย่างไรเจ้าคะ่ะหลวงปู่โยมคนนั้นหนะักแล้วปู่ตอบว่ากลับไปถึงบ้านเขาแล้วไฟไหม้บ้านเขาคำถามหลวงปู่เจ้าคะ่ะ พวกเรารเคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่กันมากที่สุดอยากบําเพ็ญบุญทํากุศลถวายหลวงปู่เท่าใดก็ไม่อิ่มหลวงปู่บําเพ็ญบารมีทําบุญอะไรไว้ในชาติก่อนเจ้าค่ะจึงได้บวชมาเป็นหลวงปู่ให้พวกเราได้กราบว่าเคารพ บ, บูชายอย่างนี้หลวงปูต่ตอบว่าไปท่าพนมสร้างท่าพนมไปกระเพาะเชียงหมุนคือชาติก่อนซึ่งเป็นจะหายกัน ช่วยกันสร้างภาพนมเอาเงินห้าสิสตางค์กับผักขาววานหนึ่งเอาไปทานกับเพิ่นคำถามหลวงปู่ทําบุญแล้วอธิษฐานหรือป่าเจ้าคะอธิษฐานว่าอย่างไรตอนทานเงินห้าสิบสตางค์หลวงปูต่ตอบว่าอธิษฐานว่าให้ได้บวชให้เปนถูกว่าอย่างนี้แหละคำถามเงินห้าสิสตางค์จะหมัย น, น้นคงจะมากนะหลวงปู่ หลวงปู่ตอบว่ามากอยู่ทำถามสร้างตั้งแต่ทีแรกเลยหรือข้าหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออทำถามแต่กรบพระธาตุพนมสูงอย่างนี้หรือป่าวเชียะหลวงปู่ไปสร้างอายุเท่าไหร่แล้วหลวงปู่ตอบว่าสูงตอนไปเท่าแล้วอายุเจ็ดสิบปีเป็นคนลาวข้ามาจากฝั่งโ น, น้น เร่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้สัตว์สัตว์ทั้งหลายอาจจะเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือไปตกอยู่ในภพภูมิต่างๆกันตามอํานาจของกรรมที่ได้บําเพ็ญมาเพื่งนี้พวกบัวใต้น้ำซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมาก่อนก็ต้องรู้สึกสยดสยองไหวดเกรงบาปกรรมกันมากขึ้นและดูเหมือนจะมีเมตตาต่อชีวิตสัตว์ต่างๆมากขึ้นแยะ ว, ว่าแต่ชีวิตมนุษย์เลย สินข้อปานาทิบาตดูจะเป็นที่น่ากลัวมากชีวิตของใครๆก็รักเราจะไปรบกวนชีวิตอื่นได้อย่างไรดูเถิดหลวงปู่เองยังผ่านชีวิตมามากมายคําถามหลวงปู่เคยเกิดเป็นคนอย่างหรือจึงชอบไปอยู่ในป่าเขาโดยเฉพาะแถวบ้านยางหลวงปูต่ตอบว่าเออเคยเกิดเป็นยาง คำถามเกิดเป็นอย่างกี่ครั้งเจ้าคะหลวงปู่ตอบ ว, ว่าครั้งเดียวเมียตายออกรูปตายคำถามมิตรายเคยมาหาหลวงปู่สักครั้งไหมหลวงปู่ตอบ ว, ว่ามาคำถามเคยเกิดเป็นพมา่าหรือป่าเจ้าคะหลวงปู่ตอบ ว, ว่าเคยเป็นทหารจะมารบไทยแต่ยังไม่ทันรบก็าตายเสียก่อนคำถาม เคยเป็นเจ๊กสักครั้งบอกคือผู้ถามเป็นจีนปรารถนาใช้หลวงปู่เคยเกิดในสันชาติเดียวกับตนบ้างแล้วปูต่ตอบว่าบอกเคยเป็นลาวก็ชาติที่ไปสร้างพระธาพนมคำถามพ่ปเป็นลาวมาสร้างพระธาพนมฝั่งไทยชาตินี้เป็นไทยและไปสร้างวัดฝั่งลาวคือหลวงปู่ไปสร้างวัดไว้ที่นอกกรุงเวียงจันทร์แห่งหนึ่งโดยเจ้าค่ะ หลวงปู่ตอบว่าเออคําถามหลวงปู่เคยเกิดเป็นอะไรอีกหลวงปู่ตอบว่าเคยเกิดเป็นฝ่านครั้งหนึ่งอยู่โคกมนถูกเขายิงที่โคกมนและมาตายที่บ้านม่วงคําถามทาไมถูกเขายิงหลวงปู่ตอบว่าได้กินมะกอกของเขาคําถามได้กินอินบอกหลวงปู่ตอบว่าบอกกาลังกิน คำถามได้ยินว่าหลวงปู่เคยเกิดเป็นหมีด้วยหรือเจ้าคะหลวงปูตาา่ตอบว่าออไปกินแตงเขาแล้วโดดเขาฟันคำถามตายที่นั่นเรย์เรือหลวงปู่หลวงปูตาา่ตอบว่าบอกบ่ตายเขาฟันร้องวา่วาว่าคำถามแตง่งออย่างหลวงปู่หลวงปูตาา่ตอบว่าแต่งช้างแต่งสุกคือแต่งร้าน คำถามตายเพราะเขาฟันนั่มเดืกค่ะหลวงปู่ตาว่าบอกเท่าเองตายเองคำถามเขาฟันแล้วหมีก็วิ่งหนีเลยเลยเจ้าค่ะไม่สู้มนุษย์หรือไม่จัดมนุษย์หรือหลวงปู่ตบว่าบอกแต่งของเขาคำถามแต่งนั้นได้กิดอิ่มบอกต่อเจ้าของเขามาฟันหลวงปู่ตาว่าบอก บ, บทันได้อิ่ม คำถามเคยเป็นนกเป็นหนูเคยบอกหลวงปู่ตาว่าบอกเคยได้เป็นคำถามเคยเป็นสัตว์อะไรอีกหลวงปู่ตาว่าปีเสือ้อมาตายที่สวนเจ้ากรมเมตตาของหลวงปู่ น, นั้นไม่มีประมาณใครๆก็อยากทำบุญกับท่านด้วยรือว่าท่านเป็นดาบุญของโลก เป็นนาบุญที่ไม่มีดาบุญใดยากแต่จะเทียบเท่ายิ้มของท่านสว่างสงบเปิดโลกให้มีแต่ความเบิกบานดังนั้นเมื่อหลวงปู่ออกจากป่ามาอยู่ในวัดตามชายเมืองไม่หลบหลีอยู่กลางป่ากลางดงหรือบนเทือกเขาสูงอย่างกาลคอนพวกศรัทธาญาติโยมจึงมีแต่ความปลื้มปิติที่มวลท่านไปโปรดตามบ้านเรือนของตน จนแทบจะแย่งกันคิวนิมนต์หลวงปู่ยาวเยียดเลยอุดรขอนแก่นหนองคายสกณนครกรุงเทพสีสเกตมหาสา ร, รคามหาดใหญ่ภูเกต็ตสมุทรสาครสมุรทรสงครามสมุทรปราการปราจีนบุรีจันท บ, บุรีระยองชนบุรีประจวบกิริขันธ์ราชบุรีเชียงใหม่เชียงรายประยูง ชัยภูมิร้อยเอ็ดนครพนมมุกดาหารท่านจะนั่งรถในเส้นทางอันยาวนานนั้นโดยไม่ปิดปากไม่เคยบนร้อนถ้ารับนิ ม, มนต์แล้วไม่เคยบนหนาวไม่เคยบนเมื่อนอกจากจะมีผู้เรียนถามหลวงปูป่ไปบ่อยไม่เหื่อหรือครับผมเมื่ออยู่เมื่อแล้วไปอ่อางเขาหนิ ม, มน เมื่ออยู่ก็อดเอาบางครั้งการเรียนถามท่านหลวงปูห่หอนบอกปู่หลวงปู่ตอบเออก่านถามว่าหลวงปู่หนาวบอกหลวงปู่ก็ตอบเออเช่นกันทั้งผู้ถามผู้ตอบปากก็หัวเราะ ก, กันยกใหญ่เรียนถามต่อว่าทําไมถึงตอบเออทั้งหมดท่านตอบว่ามันง่ายดีมันแล้วเลยไม่ต้องราไร คำที่ว่าอือหรืออือหมายความว่าใช่หรือถูกหรือเป็นการตอบรับไม่ขัดข้องอนุญาตเป็นคําที่ลุงปู่ใช้บ่อยและมากที่สุดกว่าคําอื่นเวลารับนิมนต์ไปโปรดศรัทธาญาิโยมหากบังเอิญต้องค้างคืนเจ้าภาพเรียนถามลุงปู่ว่าวันนี้จะนิมนต์พักที่บ้านหรือลุงปู่จะพักที่วัดครับ หลวงปู่ตอบว่าเอาใดก็ดีบางครั้งมีโยมขับรถไปส่งหลวงปู่หากเรียนถามท่านว่าหลวงปู่ครับต้องการเร็วโดยชาครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบเอาพอดีครั้งใดที่โยมทําอาหารมาถวายฉันและถ้าเรียนถามหลวงปู่ว่าอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ของหนูของกระผมฉันแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมทํานองนี้ หลวงปู่จะตอบว่าดีอยู่เสมอมีโยมคนหนึ่งจะซื้นอนาฬิกามาถวายเพื่อทําบุญถวายกุศลให้ญาติเรียนถามหลวงปู่หลวงปู่ต้องการนาฬิกายี่ห้ออะไรครับหลวงปู่ไม่ทราบชื่นนอนาฬิกายี่ห้อต่างๆท่านเลยตอบว่าเอาอย่างดีเล่นเอาผู้ถามบ่เราะด้วยความดีใจคนมักจะถามท่านเสมอหลวงปู่สบายดีไหมครับ ค่ะหลวงปู่ ก, ก็จะตอบเป็นปกติว่าสบายดีอยู่แต่ย่างบม่ได้ที่มากที่สุดจะมาขอให้ท่านรดนมนต์พรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลและที่มากที่สุดกว่าอย่างอื่นคือมาขอให้ท่านาต่อศีจัดให้จนบากครั้งทัดอดไม่ได้ต้องถามอย่างลึกขำค้ว่าเป็นบาดบอ่คือเป็นแผล เรื่องเฝ่าศีศรษะหรือเป่าหัวนี้เป็นเรื่องที่พาเนนผู้ปนิบัติออกจากุ่มใจมากเพราะลวงปู่เมนน้ำมันใส่ผมทนกลิ่นไม่ได้จนบางครั้งถึงไม่สบายก็ร้องกันชื่นไบรยตาโยมก็ไม่ค่อยเชื่อฟังมักตั้งจะเข้าข้างตัวเองกันอยู่เสมอว่าเป่าให้ผมนิดเดียวคนเดียวแต่คนละคนต่างนิดเดียวคนเดียวและหลายคนก็หลายนิดเดียวหลายคนเดียว ผู้เขียนจำได้ว่าท่านพระอาจารย์วันอุตตโมเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เคยบ่นให้ผู้เขียนฟังเรื่องเป่าหัวนี้โดยเฉพาะการต ร, รบกวนพระเทระผู้ใหญ่ผู้มีอายุท่านพระอาจารย์ ว, วัาน่าจริงอยู่ท่านเมตตาไม่มีประมาณแต่ว่าอายุท่านมากแล้วลมท่านจะหายใจเองยังจะไม่ไหวอยู่แล้วยอย่างขัดขัดอยู่แล้วจังจะให้ท่านมาเป่าให้ท่านต้องเหนื่อยหอบ มากไปเท่าไหร่บาปไม่รู้ตัว